สิกขาบทที่10เรื่องพระชัพคี6ก6ีสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตาบันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสีครั้งนั้นพวกพิสุชัพคีทำเสียงดังจับจับพระบัญญัติสิบเพึ่ททำความสำเนียกว่าเราจะไม่ฉันทำเสียงดังจับจับเรื่องพระชพคีจบ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 สิทค้าบทที่10จบกับพระวรคที่หจบ